1.19 จิตปัจจุบันสำคัญที่สุดในสมัยพุทธกาลมีอมสาตคนหนึ่งชื่อสีหะอมสาตแกไปรบชนะมาพระเจ้าประเสรที่โกศสนให้รางวัลให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินอาทิตย์หนึ่งแต่ว่าให้เป็นเฉยๆไม่ได้ปกครองจริงหรอกให้เจ็บสุขแกก็กินเหล้าแล้วก็เรียกอีหนูมาร้องรำทำเพลงอยู่เจ็ดวันจนเมาแอเลยวันที่เจ็ดอีหนูแกตายไปคนหนึ่งแกก็เสียอกเสียใจนั่งช้างมาจะไปหาพระพุทธเจ้า อยากไปฟังทำบ้างละพอไปเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเทศนาให้ฟังแกก็ยังอยู่บนหลังช้างอย่างนั้นนะแต่งตัวด้วยเครื่องทรงของพระราชานั่นแหละได้เป็นพระอาหารหันต์ตรงนั้นเลยแล้วก็ตายตรงนั้นเลยดังนั้นจิตปัจจุบันสําคัญนะไม่มีหรอกที่ว่าจิตของเราจะมีแต่อกุศลล้วนๆหรือกุศลล้วนๆจิตของเราก็เจออกุศลทุกคนไม่ใช่ว่าทุกขณะจะต้องเป็นกุศลเสมอไปแต่ว่าเราคอยหมั่นตามรู้ตามดูไปเรื่อย อกุศลมันก็ค่อยๆน้อยลงโอกาสเกิดของมันสั้นลงสั้นลงถ้าบางคนคอยคิดแต่ว่าเราทำบาปเยอะทำอกุศลมากชาตินี้ไม่มีหวังมันก็จะไม่มีหวังอยู่อย่างนั้นมันอยู่ที่ใจของเรานะใจในปัจจุบันเป็นกุศลหรืออกุศลถ้าใจในขณะนี้เป็นกุศลก็ใช้ได้แล้วมีคนหนึ่งเป็นเพชฌฆาตฆ่าคนมาเยอะเลยตัดหัวผู้ร้ายไปมาก ตอนแกเกษียณนะแกก็ทำบุญไปนิมนต์พระสารีบุตรมาทำบุญพอเลี้ยงพระเสร็จพระสารีบุตรก็เทศนาให้ฟังแกฟังแล้วจิตใจแกฟุง้งซ่านมากเลยเพราะแกคอยคิดอยู่เรื่อยว่าแกเป็นคนบาปฆ่าคนมาเยอะยังไงก็ไม่บรรลุธรรมหรอกในใจของตัวเองนะขวางตัวเองเอาไว้ฉะนั้นเรากินเหล้าก็ไม่เกี่ยวนะแต่ไม่ใช่ส่งเสริมให้กินเหล้านะให้แยกชีวิตเป็นส่วน ทีนี้พระสารีบุตรท่านก็ดูออกว่าอ๋อจิตแกฟุ้งซ่านเป็นห่วงกังวลว่าแกเคยฆ่าคนมาเยอะพระสารีบุตรท่านก็ออกกุศโลบายแล้วถามว่าตอนที่ไปประหารนักโทษเนี่ยเต็มใจทําหรือว่าพระราชาสั่งให้ทําแกบอกว่าพระราชาสั่งให้ทําพระสารีบุตรถามแค่นั้นแหละแกก็คิดต่อบเ อ, เองเลยว่าเออพระราชาสั่งให้ทําแกก็ไม่บาปสิบาปก็อยู่ที่พระราชาสินี่พวกมิจฉาทิฐิแต่ว่าตอนนี้ใจสงบแล้วฟังธรรมนะ ได้พระโสดาบันเพราะฉะนั้นคนที่กำลังเมาเหล้าก็เคยบรรลุพระอารหันต์มาแล้วนะมันคนละขณะกันไม่ใช่จิบไปสนทนาทำไปแล้วบรรลุไปยังไม่เคยเห็นนะยังไม่มีกรณีตัวอย่าง